ธรรมชาดกแผ่นที่สลำดับที่ส8ดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ย5สิห้าสิงหาคม2553้าห้าสามมีชื่อเรื่องว่าพรานป่าหลอกฆ่ากวางวันนี้เป็นวัน ที่ 25, สิหสิงหาคมพุทธศักราช25ัห้าสาวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้าเขา้าพรรษามาก็หนึ่งเดือนพอดีวันนี้เพราะนั้นอยากจะให้ศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกท่านได้ทบทวนดูว่า การเข้าพรรษามาหนึ่งเดือนนี้ที่เราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ก่อนเข้าพรรษาขาดตกบกพร่องตรงไหนอย่างไรบ้างอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายตรวจตราดูเหมือนกับเราทำมาค้าขายถ้าเราทำมาค้าขายเราไม่ได้ดูต้นทุนกําไรพวกเราก็ไม่รู้ว่า แต่ละวันกําไรเท่าไหรหนึ่งเดือนกําไรเท่าไหร่งบปีพวกเรากําไรเท่าไหร่พวกเราจะไม่รู้นี่เหมือนกันนะพวกเราประกอบคุณงามความดีพวกเราสําูรณ์กายวาจาของเราหรือว่าตั้งใจของเราเราได้ทําอะไรลงไปบ้างเมื่อทําไปแล้วจุดไหนที่เราขาดตกวปกพ้องที่เราสู้กับ กิเลสของเราไม่ได้ออย่างเช่ว่าเราจะงดบุหรี่อย่างนี้พอเข้าจริงๆก็เลยสู้กิเลสไม่ได้อย่างนี้เราจะเอารองอีกสักตั้งไหมอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นการที่พวกเราจะสั่งสมคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีนะเป็นของทำได้ยากมากนะแต่ถึงอย่างไรก็ต้องสู้ถ้าเราไม่สู้ก็ไม่รู้จะให้ใครสู้เหมือนกัน เพราะนั้นเราต้องสู้ต้องมีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจและก็วันนี้เป็นวันพระอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวก็อยากจะให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เราวันนี้หลวงพ่อเห็นพวกเรามาไหว้พระทำวัดเย็นน่าจะได้ฟังโอวาทของหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นแลวก็ ภาคภูกใจเต็มศาลาเลยวันนี้มาจากจ่าทุรทิศมาหลายแห่งหนมาเพื่อไหว้พระจากนั้นก็จะได้ฟังธรรมเทศนาจากนั้นต่อไปหลวงพ่อจะให้นั่งปฏิบัติธรรมนะเป็นการฝึกซ้อมหรือเป็นการฝึกในการนั่งสมาธิการนั่งสมาธินั้นนั่งอย่างไรนะแต่พวกเราไม่เคยฝึกนั่งจะเลย เราก็ไม่รู้จะนั่งไปนั่งไปไ ด, ได้ประโยชน์อะไรก็ไม่เห็นคุณค่าในการนั่งสมาธิอีกในเมื่อไม่เห็นคุณค่าพวกเราก็ขี้เกียจในการนั่งเหมือนเราทำมาค้าขายทามาค้าขายทำไปแล้วไม่ได้เงินเราจะทำอะไรทำไปแล้วเพื่ออะไรตอบตัวเองก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไปอะไรเพราะนั้นถ้าพวกเราได้มาฟังและมาศึกษาและมาปฏิบัติ ด, ด้วยตนเอง พวกเราจะได้คำตอบในใจของพวกเราเองอการมาไหว้พระก็ดีการมาฟังก็ดีการมานั่งภาวนาปฏิบัติก็ดีเราได้อะไรมันอยู่ในใจของเราทั้งหมดสรุปแล้วก็คือเราหาอาหารเข้าสู่ใจอาหารร่างกายกอย่างพวกเราสสแสวงหาทรัพย์เงินคำทรัพย์สมบัติ ที่พวกเราหาทําการทํางานเงินเดือนทาํามาค้าขายทุกอย่างอันนี้คือเมื่อได้เงินมาแล้วเราก็ไปซื้อข้าวน้ําโพชนะอาหารผ้านุ่งห่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บสร้างที่อยู่อาศัยอันนี้คืออาหารของร่างกายร่างกายของเราต้องเป็นอยู่ด้วยอาหารคือปัจจัยสี่ส่วนอาหารใจนี่ ต้องมีอีกอาหารอีกแบบหนึ่งพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนอาหารอาหารเข้าสู่ใจทํำยังไงอาหารใจนี่แหละอันนี้เราต้องศึกษาต้องศึกษาตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเอาอาหารเข้าสู่จิตใจนั้นท่านทําอย่างไรถ้าจิตใจของเราไม่ได้รับอาหารจิตใจของเราหิวโหยจิตใจของเราเมื่อยล้าจิตใจของเราเบื่อหน่ายจิตใจของเรา ไม่กระตือหรือล้อนจิตใจของเราไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรไม่รู้จอยู่ๆไปเพื่ออะไรอยู่เป็นวันๆไปชัางกระตายเป็นวันๆไปจากนั้นก็หาสิ่งที่เป็นอปมงคลเข้ามาเพื่อเป็นเครื่องอยู่บางทกีก็การพนงบงั่งการพนันบั่งสุราบัง่งนาลีบั่งพาชีกีฬาบัตรอะไรทุกอย่างที่มันเพื่อจะให้ตัวเอง อยู่เป็นวันวันสนุกไปอยู่เป็นวันวั น, วนจากนั้นก็จบไปชีวิตหนึ่งเพราะเหตุว่าเราไม่ได้ศึกษาเราหาอาหารเข้าสู่จิตใจไม่ได้เราหาแต่สิ่งที่เป็นพิษเป็นพิษเข้าสู่จิตใจเพราะนั้นเราเข้ามาศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาอย่างวันนี้แหละหลวงพ่อจะได้แนะนำอาหารเข้าสู่จิตใจแก่ลูกหลานพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าอาหารเข้าสู่จิตใจนั้น อันดับแรกสําหรับคารวะญาติโยมท่านก็ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีน้ําใจเป็นผู้มีเมตตาการอยู่ด้วยกันต้องเป็นผู้เสียสละเราอยู่กับพ่อกับแม่เราก็ต้องเสียสละให้แก่พ่อแก่แม่พ่อพ่อแม่เสียสละให้แก่เราพ่อแม่เป็นบุพการีเป็นบุคคลผู้มีอุปการะก่อนผู้มอีอุปการะก่อนก่อนหน้านั้นก็คือพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีอุ พระคุณเป็นผู้มีอุปการะก่อนสอนพวกเราให้รู้จักพระคุณของพ่อของแม่ให้รู้จักที่สูงที่ต่ำให้รู้จักศีลรู้จักธรรมรู้จักการเสียสละรู้จักการทำใจรู้จักการภาวนาเพื่อหาทางพ้นทุกข์คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นบุพการีในทางธรรมเป็นผู้มีอุปการะก่อนอันนี้เราแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอย่างไรต่อพระพุทธเจ้าเราก็เนี่ย กราบไหว้สักการะบูชายึดเป็นพุทธังทำมังสังขังสารนางคัตฉามิข้าพเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งเมื่อพระธรรมท่านประกาศพระธรรมออกมาล้วนแล้วแต่เป็นความสุขความเจริญให้แก่มวลมนุษย์ถ้าเราพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วพระพุทธเจ้าสอนออกมาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั้น ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องชี้นําชีวิตของพวกเราให้ได้รับความสงบพรมเย็นเป็นจุกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นบุพ ก, การีแอบเป็นท่านแรกอันที่สองก็คือพ่อแม่ของพวกเราเป็นบุพการีผู้ให้กําเนิดให้เราเกิดมาจากเมื่อเราเกิดมาแล้วท่านก็เลี้ยงดูอย่างดีจนเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้รับการศึกษาถึงขนาดนี้แล้ว พวกเราจะแสดงความกระตันยูอย่างไรกับบิดาของเรากับพ่อแม่ของเราหรือแต่ให้ท่านขมขืนตลอดชีวิตอย่างนั้นเหรอสิ่งที่มันไม่ดีขนมาทําไปพ่อแม่มีติตะทุก อ, อกทุกใจช้ํา อ, อกช้าใจกับลูกตนเองพูดก็ไม่ได้พูดแรงก็ไม่ได้กลัวลูกเสียอกเสียใจอย่างนั้นใช่ไหมเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราทบทวนดูพวกเราเหมือนกันอย่าให้พ่อแม่ของเราหนักใจเพราะท่านเลี้ยงดูเรามาแล้ว เราจะทดแทนอย่างไรเราจะเอาแต่สิ่งช่วยชา้าลามกเหนือยทดแทนพระคุณของท่านท่านเบือ่อท่านไ ม, ไม่ต้องการแต่ท่านพูดไม่ออกแน่เพราะนั่นเราต้องเอาคุณงามความดีเอาต้องเอาสินเอาทำรรเอาการมีน้ำใจเอามีเมตตาการเสียสละต่อพระคุณของท่านอย่างเนี้ยเราก็ควรจะทดแทนพระคุณของพ่อของแม่อันนี้ก็คือบุพภาการีที่ส บุพการีที่สามก็คือเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ท่านปกครองประเทศชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่ดึกดำบันพวกเราคิดดูเช่ตั้งแต่พ่อคุณศรีอินทรา a ิย์พ่อคุณรามํำแหงกรุงเสียยุทธยาอย่างเนี้ยสู้รบตบสึกมาจนพอแรงเป็นท อ, ทอดมาจนถึงปัจจุบันการล้วนแล้วจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าประดิตฐ์ผู้ปกครองมาถึงยุคนี้สมัยนี้เขื่อนที่ไหน แม่น้ําทีไนท์ที่ท่านช่วยช่วยดูแลเป็นโครงการพระราชดำริอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือเป็นบุพการีส่วนหนึ่งที่ท่านได้เลี้ยงดูในการเป็นอยู่ของพวกเราจากนั้นก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือครูบาอาจารย์พระเทเระอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็คืออย่างหลวงปูล่ลาเนี่ยที่ท่านสอนหลวงพ่อหลวงตามหาบัวหลวงปู่จาม หลวงปู่แว่นและครูบาอาจารย์ที่ให้ธรรมะอันนี้ก็คือเป็นบุพการีที่ให้ธรรมะอที่ท่านจิบยืนธรรมะนํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาแนะนําอันนี้ผิดนี้อันนี้ถูกนะอันนั้นสูงนะอันนั้นต่ํานะจริงควรไม่ควรนรกสวรรค์มีจริงนะวิธีนั่งสมาธิทําอย่างนี้นะวิธีเดินปัญญาอย่างนี้นะวิธีทําจิตใจให้เบือ่อ นายคลายที่จะหลุดพ้นจากอาสวักิเลสต้องทําจิตใจอย่างนี้นะอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์หรือ ว, ว่าการสอนเด็กนักเรียนสอนลูกสอนหลานอย่างนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันผู้มีเป็นบุพ ก, การีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันใครเข้าว่าเป็นผู้สอน เ, ออเด็กนักเรียนให้รู้จักกอไก่ขอไข่ A B C D จนอ่านออกเขียนได้จนเป็นบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคม ที่เราเลี้ยงชีวิตมาได้เพราะเราได้เรียนได้ศึกษาในหนังสือนี่อันนี้ก็คือบุพการีเหมือนกันเพราะนั้นการเป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือการส ะ, สะแสวงหาปัจจัยสเพื่อเลี้ยงชีพแต่ส่วนที่จะทำให้จิตใจของพวกเราอาหารเข้าสู่จิตใจจริงๆนั้น ในหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้แก่พวกเรานะ่ยคือสมาธิที่เนี่ยสมาธิทําจิตใจอย่างไร จ, งจิตใจของเราจึงจะสงบจึงจะนิ่งจึงจะรู้เหตุรู้ผลถ้าจิตใจของเราปุง่งฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาเวลำเวลาเราจะมองไม่เห็นสิ่งควรไม่ควรสิ่งดีสิ่งชั่วเหมือนกับเราวิ่งเมื่อเราวิ่ง เราจะมองไม่เห็นตัวมดตัวมแมลงตัวอะไรทั้งหมดเหตุแต่ใหญ่ๆที่มองเห็น เ, เพอเพอก็ไม่ให้ความสําคัญในการเห็นอีกต่างหากเพราะมันเราวิ่งแต่เราหยุดหยุดที่ไหนเมื่อเราหยุดเนเราหยุดนิ่งเราจะมองดูรอบข้างของเราเราจะเห็นมดมดแมลงต่างๆเราจะเห็นได้ถ้าน้ํา ม, มันนิ่ง อ, อ, อ, อน้ําให้กระเพื่องเราก็ามองเห็น เห็นหน้าในเห็นช่องลงไปก็เห็นเงาหน้าในกระจกเหมือนเหมือนเห็นเงาหน้าในน้ำแทนกระจกได้เพราะน้ำมันนิ่งน้ำไม่กระเพื่อมเพราะนั้นส yup. ิ่งท <ER ี่นิ่งมีมากมายหลายอย่างที่เราเปรียบเทียบใจของเรานิ่งก็เหมือนกันเมื่อจิตใจของเรานิ่งเราจะมองเห็นสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งควรไม่ควรควรครับควรทาควรพูด ถ้าว่าจิตใจของเราไม่เคยสงบเสเลยจิตใจของเราปุุงฟุ้งซ่านอยู่ตลอดพูดไปแล้วก็ไม่รับผิดชอบในคําพูดของตนเองอย่างนี้ยอันนั้นแปลว่าจะเป็นคนดีไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านจรงสอนให้วิธีการทําจิตใจให้สงบได้ทําอย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะศึกษานะควรจะศึกษาหลวงพ่อแนะนําแล้ว แ, นะแนะนําอีกแต่วันนี้หลวงพ่อก็คงจะเอาคําเก่ามามาแนะนํา เพราะกรรมฐานของพระพุทธเจ้ามีไม่มากมีอยู่40สี่สบอย่างที่จะทำให้จิตใจสงบแต่ที่โดดเด่นจริงๆที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราเอามาใช้หรือเอามาแนะนำพระลูกศิษย์ลูกหา ห, า ห, าหารือศรัทธาญาติโยมเป็นทอดมาเนี่ยท่านบอกว่ากรรมฐานกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ถูกกับจิตเกือบพกจิต เกือบทุกจริตไม่ใช่ว่าแต่ว่าเกือบนะไม่ใช่ทุกจริตนะเกือบทุกจริตกาหนดลมหายใจเข้าออกท่านว่าวิตกจริตคนที่มีวิตกกังวลก็กาหนดลมหายใจคนที่โทสะจริตโม่โทจะโธจะจริตคือคนมีความโกรธในใจก็ให้มาดูลมหายใจเข้าออกระงับความโกรธได้ราคะจริตก็เหมือนกัน โมหายจริตคือความรุ่มหลงคิดปรุงฟุ้งอยู่ตลอดมันหลงอันนี้ก็ให้กําหนดลมหายใจให้ตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็อแก้ได้ออแต่ว่าถ้าว่าเมื่อเราภาวนาไปแล้วเราภาวนาเรากําหนดไปแล้วเรามีช่องทางทีนี่อันไหนถูกกับจริตหรือไม่ถูกจริตเราจะมองเห็นได้ถ้าเมื่อเมื่อเราลงมือประพฤติธปฏิบัติ เหมือนกับเราทํามาค้าขายเนี่ยเราจะทํามาค้าขายเรื่องอะไรเนะี่ยเราทํามาค้าขายเรื่องขายของชําแต่เมื่อเราขายไปแล้วเราก็รู้จักช่องทางว่าเอาเอาตัวไหนมาขายเอาตัวไหนกําไรเอาตัวไหนตัวไหนขาดทุน อ, อย่างเราขายมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันเราจะทํายังไงถึงจะขาดทุนตัวไหนจึงได้กําไรเอาตัวไหนมา อ, อย่างนี้มันมีช่องทางนี้ก็เหมือนกันถ้าเรานั่งภาวนาเนี่ย เรากําหนดลมหายใจเข้าออกหรือเราภาวนาเราก็มีช่องทางอีกเหมือนกันถ้าเมื่อเราลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วว่าทำยังไงใจของเราจรึงจะสงบใจของเราที่มันปุงฟุ้งทุกวันนี้เพราะอะไรสาเหตุมาจากไหนมันทําอะไรและจะทํำยังไงจะแก้ไขยอย่างไรถ้าว่าเราปลดลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะรู้จักช่องทางรู้จักทางที่เราจะประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่าน <_ t alan> <_ at> เมื่อเราไม่รู้จักทางท่านก่อนชี้ทางให้ก่อนแนะบอกให้ก่อนเป็นเบื้องต้นว่ากําหนดลมหายใจเข้าออกน ะ, ะถ้าเรารู้จักช่องทางแล้วยังค่อยหายช่องทางอื่นอันนี้คืออันดับแรกให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทโทพุทโทพุทโทนะอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกแห่บริกรรมอยู่หายใจเข้าหายใจออก แต่พวกเราไม่ชำนิชำนาญหรือไม่รู้ว่าลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นยังไงเราไม่เคยกําหนดเราหายใจแรงๆนหลวงพ่อแนะนำนะให้หายใจทางแดนสื่หายใจเข้าไปลมสื่ลมเขาเ้าไปนแรงกระแทกลมออกไปทางแรงจากนั้นก็ค่อยผ่อนลงผ่อนลงผ่อนล ง, นลงก็รู้ได้ว่าลมมันกระทบที่ไหนกระทบที่ปลายจมูกหรือกระทบข้างบนหรือข้างล่างหรือกระทบที่ไหนที่มีที่เรารู้สึกในลมหายใจเข้าออกกระทบ เรากเอาสติจับอยู่ตรงนั้นที่ลมกระทบนะแต่เราไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลึงไม่ต้องอให้แค่ว่าให้เพียงให้มีสติสัมปชัญญะเท่านั้น เ, เราให้เป็นธรรมชาติที่สุดในการหายใจเข้าออกหายใจเข้าลมกระทบเราบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทโทพุทโธ อ, อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่อเคยแนะนำ กับคณะสัตยา ญ, ญาณโยมที่จะเห็นได้ชัดในการนั่งภาวนานจิตใจมันจะจุดออกเวลาไหนเนี่ยหลวงพ่อว่าให้ให้นับดูนะถ้าเรานับดูอันนี้เราจะเห็นเห็นได้ชัดกับผู้ริเริ่มใหม่หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองนับถึงร้อยมันเผลอไหมมันเผลอมันเป็นยังไงถ้ามันเผล่เวลาหายใจเข้านี่ อหายใจเข้าเป็นเลขขี่ใช่ไหมหนึ่งหายใจออกเป็นคู่สองหายใจเข้าสามหายใจออกสี่มันนับไปเลยขี่คู่ขี่คู่คี่คู่คี่คู่ไปถึงร้อยไม่เผลอแปลว่าสติของเราดีหนึ่งนาทีกว่ากว่านับถึงร้อยแต่ถ้ามันจะเผลอเนี่ยเวลาหายใจเข้าเนี่ยมมติว่าหายใจเข้ายี่สิบสองหายใจออกยี่สิบสามหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขขี้อันนี้แปลว่า สติเราขาดไปแล้วในช่วงนั้นอันนี้เราตั้งต้นใหม่เนี่ยวิธีการที่ที่จะฝึกขัดสติเป็นเบื้องต้นจากนั้นก็เอาเฟื่องอีฝึกหลายครั้งต่อหลายหนอ่ะสติของเราก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆสติของเราก็ตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆเราตั้งให้เข้มแข็งขึ้นกว่านั้นอีกเหมือนกับเราตั้งมันอ่อนพยายามหมหุนท่ามันแข็งขึ้นอีกอพอตั้งขึ้นให้แข็งขึ้นอีก คนในสุดมันก็มันก็ไปได้มันก็ไม่ขาดสติเท่านีเนี่ยนะแต่ว่าคนขาดสติมากๆเลพอบริกรรมไปสองสามนาทีขาดเอาขาดเอาอย่าไปคิดสนุกกับมันนะโอ้ข้าขาดสติเออข่าขาดสติไม่ได้นะถ้าขาดมากๆเนี่ยเป็นบ้าได้ไง่ายๆเหมือนกันนะคนขาดสติมันไม่ใช่ของดีนะะเพราะฉนั้นเราต้องฝึกให้สติคนที่มีสติอยู่แล้วจะไม่เป็นบ้าพูดงั้นได้เลย แต่ถ้าคนขาดามากๆหรือมีส่วนนะคิดบุดคิดปัดคิดบุดคิดปัดไม่กินนั้นไม่มีหายใจหมดไปตั้งสติไม่ได้เลยอันนั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งสติอันะ น, ะนี้บริกรรมให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่ว่าก่อนที่จะทำก่อนที่จะนั่งสมาธิหลวงพ่อเคยแนะนำคณะทาญาิโยม ทุกหมู่ทุกเหล่าเวลาเราไหว้พระซะก่อนอรหังสวัสดิโตสุปฏิปันโนนะโมตัสสะพุทธังธรรมังสังขังจากนั้นกแผ่เมตตาแอบข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโล ก, กาธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาเนี่ยอันนั้นคือแผ่เมตตาซะก่อนเมื่อแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยนั่งแอบภาวนาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธนี่แหละ วิธีการนั่งภาวนาไม่ยากถ้าเรารู้จักวิธีนะจากนั้นแล้วเมื่อนั่งไปแล้วแล้วผลมันเป็นยังไงผลที่สืบเรื่องมันเป็นยังไงแล้วมันได้ประโยชน์อะไรเนี่ยพวกเราก็อยากจะถามอีกเหมือนกันการนั่งภาวนามันได้ประโยชน์อะไรมันประโยชน์มหาศาลถ้าถ้าเรามันมันมันมีหลายระดับ อันระดับแรกเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเมื่อมีสติอยู่กับตัวเองรับประกันได้เลยไม่เป็นบ้าแ่าแล้วก็อันดับที่สองเราจะรู้ได้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเรามีสติเราคิดอ่านด้วยปัญญาของเราสิ่งควรไม่ควรเราก็จะรู้ได้เพราะสติอยู่กับตัวเองควรไม่ควรอย่างไรแ่าควรทํำยังไงเราอยู่ในสถานะไหนขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เราก็อ่านออกเพราะว่าการเป็นอยู่ของเรา เราก็อ่านสถานะของตนเองออกและวางตัวอย่างไรอันนี้ก็คือเมื่อเรามีสติจากนั้นเมื่อเรามีสติทาไปเรื่อยๆสติของเราอยู่กับตัวเมื่อเท่าแก่ชราขึ้นมาสติของเราก็จะไม่ขาด เ, เมื่อเท่าแก่ชราเราก็รู้จักวางตัวเมื่ออายุมากถ้าว่าเราไม่เคยฝึกเรื่องสติชเชล เมื่อเท่าแก่เข้ามาแล้วชราโรคชาลาเข้ามาครอบงามแล้วทุกคนจะต้องชาลาไม่หลีกหีนีพ้นไม่ได้แล้เรื่องชร า, าเนี่ยผลที่สุดถ้าเมื่อเราไม่เคยฝึกสติเสียเลยเมื่อเท่าแก่ชร า, ามาสติของเราจะเลือนลางอันไซเมอร์ก็จะเข้ามาเยือนง่ายๆทีนี้จากนั้นก็หลงลืมกินข้าวแล้วก็ว่าไม่ได้กินไปที่ไหนก่อนไม่ได้ไปผลที่สุดก็เลย หลงหน้าลืมหลังไปเรื่อยอันนี้แหละคือการมร่ไดฝึกสติถ้าเราฝึกเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรานานเท่านานทีเดียวอืมใครเข้าว่ามีสติอยู่กับตนเองนี่แหละอันนี้มีสติมีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวแล้วเทไงถ้ามากกว่านั้นล่ะเทไงถ้ามากกว่านั้นคนนั่งภาวนามีสติสัมปชัญญะเมื่อนั่งภาวนาเรามีสติพิจรารณา ใช้วิปัชนาเอาสติที่ได้ฝึกมาจากสมาธิดีแล้วนํามาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลก็ถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจได้เพราะเหตุใดเพราะจิตใจของเราฝึกเรื่องสมาธิดีแล้วจากนั้นก็นํามาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายเพราะชีวิตของทั้งชีวิตของพวกเราเนี่ย มันจุดจบของชีวิตคืออะไรแต่พูดมาถึงจุดนี้เหมือนกับพวกเราพระพูดทีไรมิจะเอาความตายมาขู่กันไม่ใช่พวกเราอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นไปว่ามันจุดมันสุดมันหดหู่แต่ตามไม่จริงเพราะพุทดธเจ้าสอนให้พวกเราคิดไว้อยู่เสมออมรณะภยัยเป็นสิ่งที่ร้ายแรงเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์ไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้ คนนั้นต้องคิดไว้คิดให้ช้ำช้ซากคิดให้ช้ำชองคิดหาวิธีการว่าเราจะทำยังไง hey, จึงจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอีกอีกอันนี้พระพุทธเจ้าสอนในคิดคิดไว้ดูในใจถ้าคนมีคิดถึงความตายคือคิดมรณะภัยอยู่ในจิตใจสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องเราจะไม่ทำเพราะเหตุว่าเราทำไปแล้วเนี่ยชีวิตของเราก็เท่านั้น ถึงจะโมโห โ, หโกธาโกให้เขาไปฆ่าเขาเข้าเถฆ่าเขาเข้าเดีวเราได้อะไรแหมมันก็ได้เพียงฆ่าเขาเท่านั้นทำบาปกรรมให้กดตัวเองอีกต่างหากเท่านี้เพราะทั้นชีวิตทั้งชีวิตของเราเราจะทำยังไงจึงจะถูกต้องจึงจะไปรอดถึงจะ ร, ร่าปลื้มนี่นี่แหละอันนี้ก็คือใช้ปัญญาเลยไ ใ, ใช้ปัญญาในหลักของพระพุทธศาสนาให้เห็นร่างกายสังขารของตนเองเมื่อเห็นพิจารณาเห็นร่างกายขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ตัวของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะมาถึงจุดจบนะต้องคิดไว้นะใจนะมรณภัยมาถึงแน่นะถ้าคนะระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอพระพุทธเจ้าท่านว่าจะเป็นผู้ตั้งมั่นจะเป็นผู้รู้เท่ารู้ทันรู้รอบทุกอย่าง จะไม่ลุ่มหลงมัวเมาได้เงินคําทรัพย์สมบัติมาก็ไม่ลุ่มหลงได้ยศถาบรรดาศักมาก็ไม่ลุ่มหลงถึงจะเสียยศถาบรรดาศัก์ไปก็ไม่เสียใจเพราะว่าสิ่งในโลกนั้นมันมีอยู่อย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดนะแต่เราเจ้าอ่อนอกใจจะเราไม่โศแสวงหาอันนั้นก็ไม่ถูกเราต้องโศแสวงหาสุดความสามารถของเราในเมื่อสุดความสามารถของเราเราก็ต้องเอ่ย บุญวาสนาบา ร, รมีของเราเราคงได้ทำมาเพียงแค่นี้ในชาตินี้ต่อไปเราคงจะ ส, งสร้างคุณงามความดีให้มากกว่านี้บุญบา ร, รมีของเราจึงจะเกื้อหนุนเกื้อกุญหนุนเราเให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละอันนี้ก็คือให้สั่งสมบุญคนที่มีบุญเชอย่างนะเนี่ยยศฐามบรรดาศักดิ์ทั้งหลายเงินคำทรัพย์สมบัติทั้งหลายเกียรติยศทั้งหลายจะมาเองคนที่มีบุญ อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสมบางชาติถึงกัตกทุกข์แต่ยากก็มีบางชาติก็เป็นเกิดเป็นสัตว์ที่านก็มีอย่างชาติหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านใช้ชาติเป็นกวางพระพุทธเจ้าทนะ่านยังได้เป็นกวางนะท่านประทับอยุดวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารพระสงฆ์ทั้งหลายไปชุมกันที่ศาลาท่านก็พูดโอ้พระเทวทัตนี่ย กันแกล้งพระพุทธเจ้ามากมาหลายอย่างทั้งที่พระพุทธเจ้าบวชให้บวชให้พระเทวทัตแล้วก็ผลที่สูงก็นะ่ะจ้างนายขมังธนูเพื่อมายิงพระพุทธเจ้ากลิ๊งหินจากภูเขามาให้ทับพระพุทธเจ้าปล่อยช้างนาลาคิลิง เ, เพื่อจะให้บทมาแทงพระพุทธเจ้าเจากนั้นก็ยุโยงสงให้แตกกัน ออกจากพระพุทธเจ้าเทวทัตจะไม่มีการสร้างสรรค์กับพระพุทธเจ้าเลยมีตแ ต, แต่หาเรื่องหาเราไม่แต่หาสิ่งที่ไม่ดีทั้งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําสั่งสอนเป็นผู้บอกกล่าวฮพระสงฆ์สนทนากันฉานั้นพระพุทธเจ้าก็จะเดชมาที่สาลาเพราะพระสงฆ์ทั้งหลายพวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไรนะบอกว่าเนี่ยพระเทวทัต ลังแก่พระพุทธเจ้าเบียดเบียนพระพุทธเจ้าหลายอย่างพระโองค์บอกว่าเรื่องเทวทัตเบียดเปลียนเรานะไม่ใช่แต่พบนี้ชาตินี้นะมีมากมายแต่ชาติหนึ่งเราได้เป็นกวางเทวทัตได้เป็นพรานชาตินั้นก่อนเนี่ยเราก็เกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันพระสงฆ์เลยถามเป็นเรื่องอย่างไรพระเจ้าค่ะพระองค์บอกว่าเอสมัยนั้นเราเป็นกวาง พระเทวทัศน์เป็นพลานในกรุงสมัยนั้น พ, พระเจ้าพมทัดคลองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีแต่วาอยู่ในเขตกรุงพาราณสีจากนั้นพลานเนี่ยชอบฆ่าพวกสัตว์ป่าพวกเกง้งพวกเกง้งพวกวกวางพวกเลี้ยงผาอะไรที่มันมากินผลละมาลากไม้ตามหน้าฤดูกาลถ้า ผลสัดมากินต้นไม้ตัวไหนผานผานป่าคนนั้นก็จะขึ้นเป็นนั่งอขัดข้างอยู่ในต้นไม้ชุ่สูงนะ่ะอคัดขึ้นมาแล้วก็พุ่งหลาวลงมาใส่สัตว์ว่างั้นแต่เขาพุ่งเขาพุ่งแม่นว่างั้นแต่ทุกวันนี้ก็คงจะเป็นปืนผาหน้าไม้อย่างนั้นนะแต่สมัยนั้นมันคงจะไม่มีมันคงจะพุ่งหลาวนะ่ะใส่พวกเก่งพวกกวางนะ แต่นน้กวางพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นกวางที่รอบคอบเป็นกวางที่มีปัญญาก่อนที่จะเข้าต้นไม้เนี่ยกวางตัวนี้ก็ไปยืนอยู่ห่างๆเหมือนกะนห่างต้นไม้เอคไข่ๆลับๆล่อๆดูๆยืนสังเกตสังกาอยู่เงี้ยจะมีคนไหมเจะเป็นอันตรายไหมเอที่จะเข้าไปเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยมันเป็นค่ายๆห เกิดมาจากจิตใจในความรอบครอบเนะี่ยดังนั้นกลางตอ น, นก็ยืนไปยืนมาไอ้พกพลานที่อยู่ต้นไม้ที่นั่งห้างอยู่ข้างบนนะเนี่ยทำไมมันไม่เข้ามาวะอทีนี้ก็เลยเก็บได้ลูกกระบกเพราะงั้นถ้ทาท่านเป็นห้างไป น, นั่งห้างอยู่ต้นมะเร็งนะภาษาภาษาทางภาคกลางว่าต้นมะเร็งแต่ตามมิจิจรเป็นต้นกระบกบ้านเราเนะีย่ยต้นลูกกระบกเนะี่ยเดี๋ยวนี้กําลัง หน้าฝนนี่กำลังลูกกระบกกําลังออกนะี่คงจะมากินหน้านี้ก็บมังจากนั้นพลานก็จับลูกกระบกได้กูเวียงไปหากนะันไปหากวางไปให้มันตกไปใกล้ใกล้กวางเพื่อจะให้กวางเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็กินลูกกระบกติดใจแล้วก็เดินเข้ามาไปจะได้พุ่งอหอกแหลนหลาส่ได้ง่ายๆยย่ายว่ากันเถะแต่กวางตอนนั้นกับเหลือขึ้นไปเห็นแห่ะเหลือขึ้นไปเห็นกัน กวางก็เลยคล้ายๆว่าคงจะมันคงจะร้องเป็นภาษากวางนะคงจะปี๊บปี๊บอย่างั้ก็มั้งกวางมันร้องนะเดี๋ยวดีๆเดีด๋กวางกระเกาเป็นคาภาษาของมันบ่าะลูกกระบอกทำไมเธอจึงหล่นไกลต้นนักตามปกติผลไม้มันไม่หล่นไกลต้นนะมันหล่นใก้จยต้นแต่บัดนี้ทำไมเจ้าจึงหล่น มาตกมาถึงไกลถึงถึงเรามันห่างจากต้นไกลเหลือเกินเพราะนั้นเราไม่ชอบใจกับเจ้าทำไมเจ้าจึงหลนไกลถึงขนาดนี้เจ้าเราไม่กินเจ้าหรอกเราไม่พอใจในเจ้าที่หลนมาไกลขนาดนี้ข้าเราจะไปกินต้นไม้ต้นอื่นหรอกข้าไม่ชอบใจเพราะนั้นพลานที่อยู่ต้นไม้ก็เลย พุ่งเหลาวไปใส่มันไกลแล้วมันก็ไม่ถูกฮะมันเกิดพลาดไปก็เลยพูดเอ้ยเราพุ่งหลาไปพลาดไปว่าขาวนี่ยเออแกจะไปที่ไหนก็ไปว่าไอแกวางตอนนั้นก็เลยเป๊ะๆไปมันก็เลยบอกว่ากวางตอนนั้นเป็นพูดเป็นภาษาใจว่าถึงถึงท่านจะพุ่งเหลาพลาดไปอืมก็จริงแต่ท่านไม่พลาดนะลกแน่ๆเพราะเหตุไร เพราะท่านได้ฆ่าสัตว์พวกกวางพวกเก้งพวกเลียงผาที่มากินผลไม้ละผลหมากลากไม้ท่านเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์เป็นมือเป็นผู้มีมือเปื้อนในการฆ่าสัตว์อยู่ตลอดเวลาถึงท่านจะพลาดข้าวไปเจ้าในคราวนี้แต่ท่านไม่พลาดนารกเป็นแน่นอนนะกวางต้นนั้นมันกล่าวขึ้นม า, างั้ือนนนะจากนั้นกวางต้นนั้นก็เลยเดินไปหากินต้นไม้ที่อื่นต่อไป นละชาดกในเรื่องนี้ท่านก็สอนว่าอย่าเบียดเบียนจึงกันละกันให้รู้จักผู้มีอุปการะคุณอย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำสั่งสอนก็นให้รู้จักแล้วก็อย่าเบียดเบียนสัตว์ถ้าว่าเราเบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์ถึงจะพลาดโอกาสในชาตินี้ชาติต่อไปพวกเราก็ไม่พลาดนรกเหมือนกันแตอกรรมชั่ว อย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะคำชั่วนั้นย่อมให้ผลเผาผานเราเมื่อภายหลังเนี่ยเพราะหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกแล้วว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดให้นั่งภาวนาเนี่ยวิธีการอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวท่านนั่งภาวนาจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้โอ้จิตสงบเนี่ย ร่างกายกับใจนี่เป็นคนละส่วนกันเป็นคนละอ่านกันเห็นได้ชัดร่างกายกับใจนี่ร่างกายคือรูปธรรมจิตใจคือนามธรรมแต่อาศัยกันอยู่แต่ตัวนามธรรมนี่จะต้องไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นได้เป็นสูงเป็นต่ำได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระหันได้เป็นพระอริยะบุคคลได้ตกนรกหมกไมมได้เรื่องใจเนี่ยแต่เรื่องกายเนี่ย เป็นสัตว์ที่ไ้ฉานมันก็เป็นช้างมา้าวัวควายแต่พอออกจากจิตใจออกจากร่างนะมันก็ไปหาเกิดอีกแต่จิตใจของมนุษย์ก็เหมือนกันออกจากร่างนี้อาจจะไปสู่สวรรค์ชั้นพรมก็ได้ในชั้นไหนก็ได้ไปตกนรกหมกไหมก็ได้เป็นมนุษย์ที่ท่านวดเป็นศูนย์กลางเออเออเป็นศูนย์กลางจะไปทางเหมือนกับทางสามสีแ่แงอย่างนั้น จะไปนิพพานก็ไปได้จะไปสวรรค์ก็ไปได้จะไปพรมก็ได้จะไปเป็นสัตว์ที่ไรฉานก็ได้จะไปตกนรกก็ได้อมนุษย์เนี่ยมันอยู่ตรงกลางสร้างเสาะแสวงหาอะไรได้ทั้งนั้นอที่เราพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะท่านท่านว่ามนุษย์เนี่ยที่มาเกิดมาแล้วเนี่ยเป็นแหล่งแหล่งเสาะแสวงหาเป็นแหล่งเงินแหล่งทอง ถ้าเราทํากรรมชั่วไปทางชั่วได้ง่ายแต่โลกนี้เป็นโลกหาได้อที่คุณแม่พูดโลกนี้ลึกคือโลกหาได้หาดีหาชั่วหาสวรรค์หานะิพพานหาหานรกหาสัตย์ติฉันได้ทั้งนั้นอะเพราะนั้นพวกเราเกิดมาทั้งทีเดี๋ยพบพระพุทธศาสนาในพบทำคําสอนของพระพุทธญาลควรจะหาแต่คุณงามความดีควรจะหาแต่บุญกุศลเอ สิ่งไหนที่มันไม่ดีเรารู้แล้วอย่าทำถ้าทำไปแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอย่างที่นั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องชาดกเรื่องนายพานกับกวางนั่นแหละที่พระพุทธองค์ได้นามาสาธกให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนะต่อนี้ไปขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนั่งสมาธินะที่นี่นะ นั่งภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะกาหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะแต่จากช่วงระยะหนึ่งหลวงพ่อจะไม่ให้นั่งนานออกวันนี้ผู้ที่จะเดินทางกลับบ้านก็มีหลวงพ่อจะให้นั่งเป็นตัวอย่างนั่งฝึกหัดเป็นการฝึกหัดในการนั่งต่อไปเมื่อเราไปถึงบ้านถึงเรือนแล้วแล้วเราก็จะได้นั่งภาวนาเป็นนั่งวิธีนั่งนั่งอย่างไรเราจะได้ฝึกการนั่งนะ เอาตอนนี้ไปกันนั่งสมาธินะที่นี่นะ